ช่วงนี้ต้องคิดให้มันดีเอาคุณภาพของมันจริงๆไม่ใช่ว่าจับฟังแล้วรู้แล้วเอาไปพูดไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาคุณภาพของมันที่มันเป็นขึ้นมาจริงๆมันเป็นช่วงระยะใดเวลาใดอันนี้พูดเรื่องตัวเองบ้างมันเป็นกำลังเรายางอยู่หรือเราเดิน เรายืนเรานั่งเรานอนจะรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นการห้ามข่มคิดจึงห้ามไม่ได้ให้มันคิดปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติให้มันคิดไม่ใช่ปฏิบัติให้มันสงบให้มันนิ่งมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นให้มันคิดทุกคนที่เคยฟังหลวงพ่อพูดมันคิดดีแล้ว มังฟุ้งซ้านดีแล้วหลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้นบัด น, นี้เราไปปฏิบัติธรรมาเราไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบเนี่ยมันผิดกันดังนั้นจึงว่าขวมคิดควมเห็นจึงมันคนละเรื่องกันถ้ามันคิดเราก็ยิ่งรู้ขวมคิดของเราถ้าเราไปบังคับไม่ให้มันคิดมันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ เนี่ยมัเป็นยังไงที่ว่าความสงบที่มันมีสองอย่างด้วยกันความสงบแบบบังคับไม่ให้มันคิดมันเป็นทุกข์แบบนี้ความสงบปล่อยไปตามสภาพของมันมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้หลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนักมวย นักมวยเรียนมาจากครูเรียนมาจากอาจารย์แต่เรียนมาแล้วไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยไปซกในเวทีจะถือว่าคนนั้นเป็นแชมเปี้ยนได้ไหมเป็นไม่ได้บัด น, นี้อีกคนหนึ่งไม่เคยเรียนไม่เคยมีครูแต่ขึ้นเวทีซกกับคู่ต่อสู้บ่อยๆซกบ่อยๆซกไปจนได้เป็นแชมเปี้ยน สุขทีใดสะนะทุกทีสุขทีใดสะนะทุกทีก็ได้เป็นเสียเ่ยนเปี้ยนอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมนมันยิ่งคิดเรายิงรู้ขมคิดถ้าไปบังคับไม่ให้มันคิดมันก็เลยไม่รู้ข่มคิดไม่รู้กลไกของผมคิดดังนั้นความสงบจึงว่ามันมีอยู่สองอย่างด้วยกันสงบแบบไม่รู้ สงบแบบรู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมแบบนี้ควรมเป็นพระอริยบุคคลนั้นเป็นได้ทุกข์นถ้าทําถูกจังหวะถ้าทําไม่ถูกจังหวะแล้วแสดงว่าไม่เกิดปัญญาไม่ถูกต้องถ้าไม่เกิดปัญญามันจะถูกต้องได้ทาไมถ้าไปบังคับไม่ให้มันคิดมันจะเกิดปัญญาได้ทำไม ต้องปล่อยให้มันคิดมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งมีปัญญาหาวิธีแก้ไขมันดังนั้นเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะต้องรักรักการรักงานรักหน้าที่ถึงเดลมเวลาหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติแต่ให้มันคิด มันคิดได้จะเข้าไปในวุมคิดไม่ให้เข้าไปในวุมคิดมันคิดปุ๊บเรารู้เราเห็นเราเข้าใจมาอยู่กับควมรู้สึกแล้วขุมคิดมันหยุดไปทันทีแล้วมันตั้งข้อหาตั้งข้อใหม่ตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมาคิดอีกแล้วมันคิดอีกมาเรื่องนี้มันก็ไม่คิดเหมือนเรื่องเดิมมันต้องคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมา เราก็ยิ่งรู้เป็นเรื่องเป็นเรื่องขึ้นไปเป็นอย่างนั้นจึงว่าเมื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์กับความคิดเราเรียกว่าจิตหลุดพ้นแต่คำพูดเรียกว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยคือรู้ทันกับความคิดนั่นเองความคิดนั่นเนี่ยจะหยุดได้เรียกว่าเราห้ามมันได้แต่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้มันคิดให้มันคิดไปตามเรื่องของมัน แต่เราเป็นเพียงดูมันเท่านั้นเองดังนั้นเราไปเข้าใจว่าโทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์ก็มันเป็นทุกข์เพราะเราไปห้ามมันไม่ให้มันคิดอันนี้เราให้มันคิดเลยแต่เรารู้จักมันมันยิ่งคิดมันจะคิดไปเรื่องโทสะคิดไปเรื่องโมหะ คิดไปเรื่องโลภะเราก็รู้หรือมันคิดดีเราก็รู้มันคิดชั่วเราก็รู้รนลความรู้นี่แหละจิงว่ามันเป็นสิ่งที่สามัญจิตว่กให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจรู้ทันจนมันคิดอะไรไม่ได้จิงว่ารู้ทันรู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ท่ถึงที่สุดของทุก์ แต่อยู่โดยชอบอยู่ยังไงก็อยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยมีสติด้วยมีปัญญาอยู่ด้วยควรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าอยู่ในชอบเดี๋ยวนี้เราไปมองแต่คนนั้นมองแต่คนนี้จับคนนั้นจับคนนี้คนนั้นพูดดีพูดเพราะคนนี้พูดไม่ดี คนนี้พูดไม่เพราะเราไปฟังเอาแต่ขวมเพราะขวมมวลหูเท่านั้นเองเราไม่ดูไม่ได้ดูถึงจิตถึงใจเราถ้าเราดูถึงจิตถึงใจของเราแล้วอันนั้นแหละอยู่ใยชอบจิตใจของเรามันนึกมันคิดขึ้นมาเราต้องเห็นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจคนอื่นจะไปเห็นเราได้ไหมเห็นจิตใจของเราตัวเองแท้ อยู่กับตัวเองแท้ๆเรานึกเราคิดก็ไม่รู้มันคิดไปร้อยอันพันอย่างก็ไม่รู้นี่ว่าคิดไปจนเจ็บหัวบางคนนอนไม่หลับคิดไปมากๆเป็นบ้าแล้ว ก, ก็มีเนเี่ยเป็นอย่างนั้นมีจำนวนมากนะไม่ใช่แต่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือคนที่เรียนหนังสือมากๆเจนได้เป็นปริยาตีปริยาโท ก็ยังคิดอยู่จนเป็นปริยายเอกก็มีนะเป็นด็อกเตอร์ก็มีปริยายเอกหลวงพ่อไม่รู้จักแต่ว่าได้ยินว่าปริยายเอกเขาว่าด็อกเตอร์ว่าอย่างนั้นคิดไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเป็นบ้าเป็นนอนไม่หลับก็บีเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นตัวเองโกรธอยู่แทบจะตายก็ยังไม่รู้ก็ยังหาว่าคนอื่นแกล้งเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นแหละท่านเอ๋มันเป็นอุปสรรค มันเป็นการขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองท่านจึงสอนให้รู้จักกลไกของผมคิดให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้มันยิ่งไม่คิดเราก็ยิ่งไม่รู้กลไกของผมคิดจึงว่าปล่อยให้มันคิดไปเราเพียงแต่เป็นผู้ดูข่มคิดเท่านั้นเองมันคิดไปเราเห็นเรารู้มันก็หยุดอันนี้ท่านว่าทุกต้องกำหนดรู้ สมุทัยต้องละมักต้องจะเลิญนี่โลดทําให้แจ้งอันนี้เป็นคําพูดที่ในตหรับตาําราครูบาอาจารย์ท่านสอนทุกต้องกําหนดรู้กําหนดที่ไหนก็กําหนดตัวเคลื่อนตัวไหวยังกําหนดได้กําหนดตัวนี้ถ้ามันเคลื่อนมันไหวยอย่างเี๋เรารู้ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเมื่อมันคิดขึ้นมา เรามาอยู่กับขมเคลื่อนไหวมันก็หยุดขมคิดได้มักต้องเจริญให้มันคิดมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เรายิ่งเคลื่อนยิ่งไหวเท่าใดเราก็ยิ่งรู้นี่โลดทำให้แจ้งมันก็รู้กลไกของขมคิดมันคิดยังไงเราก็รู้มันคิดยังไงเราก็รู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้จากกันรู้จากแก้ ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเหมือนกันกันกบความเปลี่ยนแปลงของลูกเ่านี้เองเกิดมาจากท้องแม่มามันเป็นตัวเล็กเล็กนานขึ้นมาก็โตขึ้นโตขึ้ น, โ ต, นโตถึงที่แล้วก็สุดไปสุดไ ป, ดไปตายเนาเข้าลวงไปอันนี้ก็เหมือนกันความคิดก็เหมือนกันมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้รูเร้เข้ารู้เข้าความคิด มันก็ถูกหยุดเมื่อถูกหยุดแล้วควอมาดช่วงของมันมันจะจืดไปทั้งหมดเลยอันเนี่ท่านจึงว่าหัดให้รู้หัดให้เห็นหัดให้เป็นหัดให้มีแต่ทางตหรับตําลาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าหัดตายเสียคนตายแต่เมื่อยังมีลมหายใจท่านว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ตายเนาเข้าลง อันนี้แหละเรากล้าเรามีความสามารถเข้าไปในสนามรบก็ว่าได้แต่คนทุกคนเราจะพูดว่าตายก็ได้จะพูดว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วศูนย์ก็ผิดเราจะเอาที่ตรงไหนมาเป็นหลักประกันมาเป็นเครื่องยืนยัน เราจะรับประกันคําพูดของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยท่านสอนเอาไว้แต่เท่านั้นก็อนอยังไม่พอและให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าพวกเราก็เลยมาทำให้เป็นจังหวะให้พลิกมือขึ้นคั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิบตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายสิ่งเหล่านี้คนอื่นมองเห็น แต่จิตใจนึกคิดคนอื่นมองไม่เห็นจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เฉพาะตนคนเดียวเท่านั้นท่านจึงว่าสันทิติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลามันเป็นอยู่ทุกขณะทุกวินาทีและการปฏิบัติแบบนี้จึงไม่เลือกสถานที่อยู่ที่ไหนก็ได้ เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตัดสูกกลางดินและตายก็ต้องตายกลางดินเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแหนกอยู่ก็อยากอยู่อันดีดีนอนก็นอยากนอนอันดีดีกินก็นอยากกินอันดีดีสร้างบ้านใหญ่โตโหฐานตายแล้ว บ้านหลังนั้นก็ไม่ได้ทําให้คนเกิดเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราควรเอาไปคิดเราสร้างบ้านสร้างเรือนหมดเงินเป็นล้านเป็นอริยบุคคลได้ไหมเป็นไม่ได้เอาเงินจํานวนนั้นนะ่ะมาทําให้คนได้ปฏิบัติธรรมะนั้นเข้าใจว่าจะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ดี ถ้าเราไปสร้างกุตติสร้างโบสถ์สร้างวิหารหมุดเงินเป็นล้านแล้วไม่มีผู้ที่ได้ตัดสรูปเป็นพระอริยบุคคลมันก็ไม่คุ้มค่ากับการกับงานที่เราทำอั น, นั้นแม้เราสร้าง น, าน้อยๆก็ได้แต่ให้คนนั้นได้รู้ธรรมะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนามั่นคงถาวรต่อไปบ้านเมืองเราก็จะขวมร้อ น, น, นก็จะลดลงลดลงลูกกรมทุ ก, ก็จะดลดน้อยไปลดน้อยไปเพราะเป็นอายกบุคคลอาลิแปลวะ่าสึกงะแปลวคนไปคือบุคคลพ้นไปจากควมทุกเพราะรู้จักเหตุรู้จักการรู้จักเวลารู้จักหน้าที่ ไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจริงๆเอาปฏิบัติแบบนี้แหละแบบที่เรากำลังทำเคลื่อนไหวยกมือไปเอามือมานี่อันนี้เป็นคำพูดคำเตือนของหลวงพ่อเองกับว่าได้อันนี้รับประกันว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าิบวัน อานิสงส์ไม่ต้องพูดเลยความทุกข์จะลดน้อยไปหรือถึงกับหมดไปแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไ ว, ว้ว่าเป็นคำรับรองของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วยังนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้ใจเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาถาคตนี้เนี่ยท่านสอนท่านไม่ได้สอนว่าสร้างกุฏิหลังสวยๆแล้วก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเน่ยท่านเกิดกลางดินนอนกลางดินตัดสรูกลางดินแสดงธรรมให้คนฟังกลางดินแม้เป็นพระละหันก็เป็นกลางดินท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่เสือกฟัง แต่เราไปทำไปแต่นึกว่าเราทําอย่างนั้นให้เป็นพุทธศาสนาเจริญมันเจริญทางวัดถูกจิตใจมันยังไม่เจริญบ้านเมืองของเรามันจึงเดือดร้อนมีการแย้งเสียงกันต้องการซื้อเสียงเกียรติยศแย้งเสียงกันเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้เราทําเพื่อปู่าพระพุทธเจ้าทําปู่าพระธรรมเจ้า ทำปูซาพระสงฆ์ขเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ากาบพระพุทธอย่าให้ไปถูกทองคากาบพระธรรมอย่าให้ไปถูกใบลานกาบพระสงฆ์อย่าให้ไปถูกลูกทูกหลานผู้ลุกสาวบ้านทันรกาบที่ไหนก็กาบตัวเรานี่เองเพราะคุณค่าคุณดีของขวมงามตัวเรานี่มีทุกคน